สุตตันตปิฎกขุทกะนิกายเปตวัตถุพระผู้มีพระภาได้ตรัสพระคถ า, าเหล่านี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเปรียบเหมือนนานทายกทั้งหลายเปรียบเหมือนชาวนานทายธรรมเปรียบเหมือนพืชผลทานย่อมเกิดจากการที่ทายกบริจาค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 ครั้นทากรรมดีแล้วย่อมไปสวรรค์กุมารเปตวัตถุเรื่องกุมารเปรตพระศาสด า, าตรัสว่าเราได้ฟังมาดังนี้ว่าได้มีกุมารสององค์เป็นพระราโอรสในกรุงสาวัตถี ข้างป่าหิมพานพระราชกุมารทั้งสองพระองค์นั้นทรงมัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดทรงเพลิดเพลินด้วยอำนาจความยินดีนในกามทรงติดความสุขในปัจจุบันไม่ทรงเห็นถึงความสุขในอนาคตครั้นเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ปรโรกไม่ปรากฏกายให้ใครเห็นร้องคร่ำควรวญถึงกรรมชั่วครั้งก่อนของตน ณที่ใกล้กรุงสาวัตถีนี่ว่าเมื่อพระทักินนยะบุคคลมีอยู่มากหลายและเมื่อทยาธรรมก็มีอยู่แต่พวกเราไม่อาจทำบุญซึ่งจะนำความสุขมาให้แล้วทำตนให้มีความสวัสดีแม้เพียงเล็กน้อยอะไรจะพึงเร็วกว่ากามนั้นอันเป็นเหตุให้พวกเราเคลื่อนจากราชส ก, กุลแล้วไปอยู่เปตวิสัยเพียบพร้อมไปด้วยความหิวกระหาย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 ย่อมเข้าถึงสวรรค์คู่ทขาท ก, กะเปตวัตถุเรื่องเปรตกินอุจจาระพระมหาโมคลานะเทระถามเปรตตัวหนึ่งว่าท่านเป็นใครหนอโผล่ขึ้นมาจากหลุมอุจจาระ ยืนเศร้าๆ้อยอยู่ท่านคงทำกรรมเชื่อไว้โดยไม่ต้องสงสัยจะร้องครวญครางอื่อเอไปทําไมเล่าเปรตนั้นตอบว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าเกิดเป็นเปรตในยมโลกได้รับความลำบากเพราะทำกรรมเชื่อไว้จึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโลก พระมหาโมคลาณะเทระถามว่าท่านได้ทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจอะไรไว้หรือเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงได้รับทุกข์เช่นนี้เปรตนั้นตอบว่าได้มีพิสุกรูปหนึ่งอยู่ประจำในวัดของข้าพเจ้ามริฤษยาตรณนนิตากูลผูกขาดในเรือนของข้าพเจ้า มีใจกระด้านมักด่าวา่าภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อคำของท่านได้ด่าวา่าภิกษุทั้งหลายเพราะผลกรรมนั้นข้าพเจ้าจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปโตรโลกพระมหาโมคลณะเถระถามว่าภิกษุผู้คุ้นเคยกับตระกูลของท่านไม่ใช่มิแท้เป็นมิเถียมมีปัญญาสาม มรณาภาพแล้วไปสู่คติไหนหนอเปรตนั้นตอบว่าข้าพเจ้ายืนอยู่บนกระหม่อมไสสะของเปรตซึ่งเคยเป็นพิสุผู้ทํากรรมชั่วนั่นแหละและพิสุนั้นไปเกิดเป็นเปรตผู้ปรนิบัติของข้าพเจ้าเองพระคุณเจ้าผู้เจริญชนเราอื่นทายสิ่งใดลงไปสิ่งนั้นเป็นอาหารของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเอง ถ่ายสิ่งใดลงไปเปรตซึ่งเคยเป็นพิสูุนั้นก็อาศัยสิ่งนั้นเลี้ยงชีพอุจชุเปตวัตถุเรื่องเปรตเจ้าของไรอ้อยเปรตถามพระมหาโมคคลานะเถระว่าไรอ้อย แปลงใหญ่นี้เกิดมีแก่ข้าพเจ้าเป็นผลบุญไม่ใช่น้อยเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ากินอ้อยนั้นไม่ได้ท่านผู้เจริญนิมน์ท่านบอกด้วยเถิดว่านี้เป็นผลกรรมอะไรข้าพเจ้าเดือดร้อนอยากจะกินอ้อยพยายามตะเกียกตะกายทนทุกข์จะกินสักหน่อยหนึ่งก็สิ้นเรี่ยวแรงพร่ำเพรออยู่ นี้เป็นผลกรรมอะไรอันหนึ่งข้าพเจ้าบดเรี่ยวแรงแล้วส่วนเซล้มลงดิ้นเร่าๆอยู่บนพื้นดินเหมือนปลาดิ้นรนอยู่บนบกที่ร้อนจัดก็เมื่อข้าพเจ้าร้องไห้อยู่สัตว์ทั้งหลายพากันมากินน้ำตาของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญนี้เป็นผลกรรมอะไรข้าพเจ้าทั้งเหน็ดเหนื่อย ทั้งหิวกระหายปากคอแห้งผากไม่ประสบความสุขสำราญท่านผู้เจริญอย่างไรหนอข้าพเจ้าจึงจะกินอ้อยได้พระมหาโมคลานะเทระกล่าวว่าเมื่อชาติก่อนท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำกรรมไว้ด้วยตนเองเราจะบอกท่านจงฟังให้เข้าใจครั้งหนึ่งท่านเดินกินอ้อยไป มีบุรุษคนหนึ่งเดินตามหลังท่านมาและบุรุษนั้นหวังจะกินอ้อยจึงขออ้อยจากท่านท่านไม่ได้พูดอะไรกับเขาเข า, เขาจึงอ้อนวอนว่าขอท่านให้อ้อยเถิดนายท่านได้ยื่นอ้อยให้แกบุรุษนั้นข้างหลังนี้เป็นผลกรรมนั่นแหละเปรตเอยขอเชิญท่านหันหลังไปหยิบเอาครั้นรับแล้ว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 พระมหากระสปะเถระถามเปรตตนหนึ่งว่าท่านอยู่ในอากาศมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปและมูลอ่อนพากันชอนชายกินปากที่มีกลิ่นเหม็นเน่าของท่านเมื่อก่อนท่านได้ทํากรรมอะไรไว้เพราะการฟุ้งไปแห่งกลิ่นเหม็นนั้นนายนิรยบาลถือสัตรามาเฉือนปาก ที่มีแผลซ้ำแล้วซ้ำอีกเอาน้ำแสบราดตรงที่เฉือนแล้วเชื้อดำเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมชั่วอะไรทางกายวาจาใจเพราะผลกรรมอะไรท่านจึงต้องประสบทุกข์เช่นนี้เปรตนั้นตอบว่าท่านผู้นิรุกข์เมื่อก่อนข้าพเจ้าอยู่ที่ภูเขา คิริพระชาเป็นที่น่ารื่นรมใกล้กรุงราชคซึ่งน่ารื่รมเป็นเจ้าของทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายข้าพเจ้าได้ห้ามภรรยาธิดาและลูกสะใภ้ของข้าพเจ้านั้นซึ่งพากันนําพวงมาลัยดอกอุบบลและเครื่องรูปไร้ใหม่ๆไปเพื่อบูชาพระถูุบาปนั้นข้าพเจ้าได้ทำแล้ว พวกเราจึงได้เสวยทุกขวัฒนาต่างๆกันจากหมกไม่อยู่ในนรกแสนสาหัสถึง 86,000 ปีเพราะตำหนิการบูชาพระสถูกเมื่อการบูชาและการฉลองพระสถูกของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปอยู่ชนเหล่าใดประกาศโทษแห่งการบูชาพระสถูกเหมือนเรา ท่านพึงคัดชนเหล่านั้นออกจากบุญนั้นอันหนึ่งเชิญท่านดูเทพธิดาเหล่านี้ซึ่งทัดทรงดอกไม้ตกแต่งร่างกายเหาะมาพวกนางมั่งคัง่งและมีบริวารยศสวยผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้เห็นผลน่าอัศจรรย์หน้าขนลุกขนชันซึ่งไม่เคยมีมาแล้วนั้น ย่อมทำการนอบน้อมกราบไหว้พระมหามุนีนั้นข้าพเจ้าจากเปตโลกนี้ไปแล้วได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์จากเป็นผู้ไม่ประมาททำการบูชาพระสถูป บ, บ่อยๆแน่แท้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า บุคคลผู้ไม่ตระณีควรทำเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์คือปรารกบุรพชนผู้ล่วงลับไปแล้วหรือเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนหรือเท้ามหาราชทั้งสี่ผู้รักษาโลกมีบริวารยศคือเท้ากุเวระเท้าทัตร์เท้าวิรูปักและเท้าวิรุณหก แล้วพึงถวายทานท่านเหล่านั้นเป็นผู้อันบุคคลบูชาแล้วและทายกก็ไม่ไรผลการร้องไห้ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คล่ําครวญอย่างใดไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วย่าทั้งหลายก็ยังคงสภาพ อยู่อย่างนั้นเองส่วนทักษิณาทานนี่แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในสมย่อมสมเร็จประโยชน์เกือ้อกูลแก่ปเปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกาลนานพระมหาโมคลานะได้ถามถึงบุพกรรมของปเปรต ทั้งสี่ตนด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านทั้งสี่ตนนี้ตนหนึ่งกอบเอากแกลบข้าวสาลีที่ไฟกำลังลุกโชนโปรยใส่เศษศาของตนเองอีกตนหนึ่งเอาค้อนเหล็กทุบศิษศาตนเองจนเศษาแตกส่วนตนนี้เป็นหญิงกินเนื้อส่วนหลังและโลหิตของตนเอง ส่วนท่านกินอุจจาระซึ่งเป็นของไม่สะอาดไม่น่าปรารถนานี่เป็นผลกรรมอะไรนางเปรตซึ่งอดีตเคยเป็นภรรยาพ่อค้าขี้โกงตอบว่าเมื่อก่อนผู้นี้ทำร้ายมัรดาส่วนผู้นี้เป็นพ่อค้าขี้โกงผู้นี้กินเนื้อแล้วแก้ตัวด้วยการกล่าวเท็จ รังที่ดิฉันเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นหญิงแม่เรือนใหญ่ยยกว่าทุกคนในสกุลเมื่อสิ่งของที่ชนเราอื่นขอได้ยังมีอยู่ก็เก็บซ่อนเสียโดยคิดว่าเราจะไม่ให้อะไรอะไรจากของที่มีอยู่นี้ปกปิดไว้ด้วยการกล่าวเทศว่าในเรือนของเราไม่มีสิ่งนี้ ถ้าเราปกปิดของที่มีไว้ขออุจจาระจงเป็นอาหารของเราเพราะวิบากทั้งสองคือวิบากแห่งการกระทานั้นด้วยวิบากแห่งการกล่าวเท็ดด้วยข้าวสาลีที่มีกลิ่นหอมจึงกลับกลายเป็นอุจจาระสำหรับดิฉันอันหนึ่งกรรมทั้งหลายไม่ไรผลเพราะ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 การบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ทำแก่พวกเราแล้วและทายกก็ไม่ไร้ผลก็ในเปตะวิสัยนั้นไม่มีกษตร ก, กรรมคือการทำไร่ไถนาไม่มีโครักขกรรมคือการเลี้ยงวัวไว้ขายไม่มีพาณิชกรรมคือการค้าขายเช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มีผู้ที่ตายไปเป็นเปรตในเปตะวิสัยนั้น ดำรงชีพอยู่ด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากโลกนี้น้ำฝนตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มฉันใดทานที่ทายกอุทิศให้จากโลกนี้ย่อมสําเร็จผลแน่นอนแก่เปรตทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันห่วงน้ําที่เต็มย่อมยังสมุติสาครให้เต็มเปี่ยมฉั้นใดทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษยะโลกนี้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 ร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วญาตทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นเองส่วนทักษิณาทานนี่แหละที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสมเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่เปรตนั้นโดยทันทีสิ้นกระนานญาติธรรมนี้ท่านแสดงออกแล้ว การบูชายาตที่ตายไปท่านทำอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกำลังกายของพิสุทิ์ท่านก็เพิ่มให้แล้วเป็นอันว่าท่านสะสมบุญไว้ไมิใช่น้อยเลยท่านพระนารถถามเปรตตวหนึ่งว่าท่านมีผิวพรรณงามดังทิพย์ ยืนอยู่ในกลางอากาศแต่ปากของท่านมีกลิ่นเหม็นหมูหนอนพากันชรนชัยเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วหยาบ ม, มีปกติสารวมกายแต่ไม่สารวมปากจึงได้มีผิวพันธุ์ดังทองคำเพราะความสารวมกายแต่ปากของข้าพเจ้า เหม็นเน่าเพราะพูดส่อเสียดท่านนารฐะรูปร่างของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้วท่านผู้ฉลาดซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์กล่าวไว้ว่าท่านอย่าได้พูดส่อเสียดและอย่าได้พูดมุสาท่านจัดเป็นเทพผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติที่น่าปรารถนา กุดุมพีผู้เป็นเบิดาถามสุชาตะกูมานว่าเจ้าเป็นบ้าไปแล้วหรือจึงเกี่ยวหญ้าสดแล้วเพอร้องเรียกโคแก่ซึ่งตายแล้วว่าจงกินจงกินโคตายแล้วลึกขึ้นกินหญ้าและน้ำไม่ได้หรอกเจ้าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเหมือนคนโงอน่อื่นๆ สุชาตะกุมารกล่าวว่าโคตัวนี้ยังมีเท้าครบทั้งสี่เท้ามีหัวมีตัวพร้อมทั้งหางและในตาคงอยู่ตามเดิมเพราะเหตุนี้ลูกจึงคิดว่าโคตัวนี้พึงลุกขึ้นส่วนคุณปู่ไม่ปรากฏกระทั่งมือเท้ากายและศีรษะคุณพ่อมาร้องไห้ถึงกระดูก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 ความเศร้าโศกถึงบิดดาของข้าผู้กําลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความโศกซึ่งเสียบหัตถัยของข้าขึ้นได้แล้วหนอพ่อมนนข้าซึ่งเจ้าช่วยถอนลูกศรคือความโศกขึ้นได้แล้วก็เยินสงบแล้วจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคําของเจ้าชนเหล่าใด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 ท่านพระนรรถเถระถามเปรตตนหนึ่งว่าทั่วทั้งกายของท่านมีสีเหมือนทองคำเปล่งรัสมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศแต่ปากของท่านเหมือนปากสุ ก, กรเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เปรตนั้นตอบว่าท่านพระนารถเมื่อก่อนข้าพเจ้าได้สำรวมกายแต่ไม่ได้สำรวมวาจา เพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงมีรูปร่างและผิวพันธ์ตามที่ท่านเห็นอยู่นั้นท่านนารถเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าขอบอกท่านสรีระของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้วท่านอย่าได้ทำบาบด้วยปากท่านอย่าได้มีปากเหมือนสุกรเลย สมณเนรถามพวกเปรตเหล่านั้นว่าคนหนึ่งขี่ช้างเผือกไปข้างหน้าคนหนึ่งขี่รถเทียมด้วยแม่ม้าอสซดรไปท่ามกลางและสาวน้อยขึ้นวอไปข้างหลังเปล่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศส่วนพวกท่านถือค้องเดินร้องไห้มีหน้าชุ่มด้วยน้ําตา มีร่างกายแตกเป็นแผลสมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์พวกท่านได้ทำบาปอะไรไว้ซึ่งเป็นเหตุให้พวกท่านดื่มกินโลหิตของกันและกันเปรต ท, ทั้งสองได้ฟังสั ม, มเณเณรถามจึงตอบว่าผู้ที่ขี่ช้างเผือกชาติคนชรนสี่เท้าไปข้างหน้าเป็นบุตรคนโตของข้าพเจ้าทั้งสอง เขาได้ถว า, ายทานจึงได้รับความสุขบันเทิงใจผู้ที่ขี่รถเทียมด้วยแม่มา้าอสดรนสี่ตัวลั่นเรียบไปในถ้ำกลางเป็นบุตรคนกลางของข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนไม่ตรณีเป็นทานบดีรุ่งโรจน์อยู่ส่วนนารีผู้มีปัญญามีดวงตากรมหยาดเยิ้มดังตาเนื้อ ขึ้นวอมาข้างหลังเป็นทิดาคนสุดท้องของข้าพเจ้าทั้งสองนางมีความสุขเบิกบานใจเพราะส่วนแห่งทานเครื่องส่วนเมื่อก่อนเขาทั้งสามมีจิตใจเริ่มใสได้ถวายทานแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายส่วนข้าพเจ้าทั้งสองเป็นคนตรณีบริภาสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย อันหนึ่งเขาทั้งสามนี้ถวายทานแล้วได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกรรมคุณอันเป็นทิพย์ส่วนข้าพเจ้าทั้งสองซูบซีดดังไม้ออดที่ถูกตัดสมณเณรถามว่าอาหารและที่นอนของพวกท่านเป็นเช่นไรอันหนึ่งพวกท่านผู้มีบาปหนาเลี้ยงอัตภาพได้อย่างไร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 ตายไปเกิดในโยมโลกย่อมร่ำไห้คร่ำทวนเหมือนอย่างนี้สัตว์เหล่าใดได้ประสบโภคะต่างๆแล้วไม่ใช่สอยเองทั้งไม่ทำบุญสัตว์เหล่านั้นจะต้องประสบความหิวกระหายในประโลกภายหลังถูกความหิวเป็นต้นแผดเผาไม่อยู่สิ้นกระนานย่อมได้เสวยทุก เพราะทำกรรมมีผลเผ็ดร้อนมีทุกข์เป็นกำไรความจริงทรัพย์และทัญหารอยู่ได้ไม่นานทั้งชีวิตของสัตว์ในมนุษยโลกนี้ก็สั้นนักบัณฑิตทราบสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วพึงทำที่พึง่งเ่าชนผู้ฉลาดในธรรมฟังคำสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายแล้ว มารู้ชัดอย่างนี้ย่อมไม่ประมาทในทานเรวตีเปตวัตถุเรื่องนางเรวดีเปรตยักษ์บริวารของเท้าเวสวร์ปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปใน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 พระสังคีติกาจาร์ทั้งหลายกล่าวว่ายักษ์ใหญ่ตาแดงสองตนดุจทูดพยายมนั้นครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็จับแขนนางเรวดีคนละข้างพาไปใกล้มูเทวดานางเรวดีถามยักษ์สองตนว่านั่นวิมานของใครมีรสมีแสงอาทิตย์น่าพอใจเรืองรองงดงาม น้าอยู่อาศัยปกคลุมด้วยตาข่ายทองเนืองแน่นไปด้วยเท พ, พบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์หมู่เทพนารีรูปร้ายกายด้วยเก่นจันหอมช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บันเทิงอยู่ในวิมานนั้นเป็นใครกัน ยักษ์สงตนจึงบอกเก่นางนเรวดีว่าที่กรุงพระรนสีมีอุบาสกชื่อนันทยะเป็นคนไม่ตระนีเป็นทานบดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอวิมานที่เนืองแน่นไปด้วยเท พ, พบุตรและเทพธิดารุ่งโรดดังแสงอาทิตย์นั้นเป็นของนันทยะอุบาสกมูเทพนารีรูปหลายกายด้วยเก่นจันหอม ช่วยทำวิมานทั้งภายในและภายนอกให้งดงามวิมานนั้นมีรัศมีปรากฏเสมอด้วยแสงอาทิตย์คนที่ขึ้นสวรรค์บนเทิงอยู่ในวิมานคือนันทยะอุบาสกนางเรวดีกล่าวว่าฉันเป็นภรยาของนันทยะอุบาสกเป็นใหญ่ในเรือนเป็นใหญ่ในทรัพย์สินทั้งหมดของสามี บัดนี้ฉันจะลื่นลมในวิมานของสามีไม่ปรารถนาจะเห็นนรกยักษ์สองตนนั้นไม่ยอมเชื่อจึงพาตัวนางลงไปใกล้อุสถธนรกแล้วกล่าวว่านางผู้แสนจะชั่วช้านี่แหละนรกสำหรับเจ้าบุญเจ้าไม่ได้ทำไว้ในมนุษยโรกเพราะคนตรณีมักโกรดมีบาป ร, รม ย่มไม่ได้อยู่ร่วมกับผู้เกิดในสวรรค์นางเรวดีเห็นนายนิรยาบาลสองตนพากันมาฉุดคราตนเพื่อจะโยนลงไปในคูธนรกชื่อว่าสังสวักกะจึงถามถึงนรกนั้นว่าทำไมหนอจึงปรากฏแต่อุจาระปัสสาวะสิ่งสพปรกเหตุท่านไหน อุจาระนี้จึงไม่กลิ่นเหม็นไร้กลิ่นคระคลุงไปเล่านายนิรยาบาลตอบว่านางเรวดีนรกที่เจ้าจำหมกไม่อยู่หลายพันปีนี้ชื่อว่าสังสวัสกกนรกลึกหนึ่งร้อชั่วคนนางเรวดีจึงถามว่าฉันทํากรรมชั่วทางกายวาจาใจาอะไรหรือหนอจึงตกสังสวัสกก นรกที่ลึกถึงหนึ่งร้อยชั่วคนนายนิรยาบาลตอบว่าเจ้าลวงสมณพราหมณ์และวนิพกพวกอื่นด้วยการกล่าวเท็จนั่นแหละบาปที่เจ้าทำไว้เพราะบาปนั้นเจ้าจึงต้องตกสังสว ก, กะนรกที่ลึกถึงหนึ่งร้อยชั่วคนนางเรวดีเจ้าจะต้องหมกไหมอยู่ในนรกนั้นหลายพันปี นายนิรยาบาลทั้งหลายจะตัดมือเท้าหูแม้กระทั่งจมูกอันหนึ่งแม้ฝูงกาก็จะพากันมารุมจิกกินเจ้าที่ดินทุรนทุรายอยู่นางเรวดีกล่าวว่าโปรดเถิดพ่อคุณขอท่านทั้งหลายช่วยนำดิฉันกลับไปเถิดดิฉันจกสร้างกุศลกรรมที่คนทำแล้วได้รับความสุข และไม่เดือร้อนในภายหลังนั้นให้มากด้วยการให้ทานประพฤติ ธ, ธรรมสม่ำเสมอการสมรวมและการฝึกอินทรีย์นายนิิยาบาลกล่าวว่าเมื่อก่อนเจ้าประมาทโมเมาบัดนี้จะมาร่ำไห้ทําไมเล่าเจ้าจะต้องเสวยผลกรรมทั้งหลายที่เจ้าทําไว้เองนางเรวัติกล่าวว่า ใครจากเทวโลกไปยังมนุสวโลกเมื่อถูกถามพึงกล่าวย้อนคำของนิกฉันอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงถวายทานคือผ้านุ่งผ้าห่มที่นอนที่นั่งข้าวและน้ำในสมณพราหมทั้งหลายผู้ปล่อยวางอัตยาเพราะว่าคนตรณีมักโกดมีบาปธรรมย่อมไม่ได้เกิดร่วมกับ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 เพราะผลกรรมนี้ดิฉันได้เห็นเองแล้วพระสังคีติกาจาร์กล่าวไว้ว่านายนิรยาบาลทั้งหลายช่วยกันจับนางเรวดีที่กำลังพร่ำเพลอดิ้นรนไปมาอยู่อย่างนี้ให้เท้าชี้ขึ้นหัวดิ่งลงไปในรกอันานากลัวนางเรวดีได้กล่าวคาถาสุดท้ายอีกว่าชาติก่อน ฉันเป็นคนตรณีด่าว่าสมณะพราหมณ์และลวงสามีด้วยเรื่องไม่จริงจึงหมกไหมในนรกที่น่ากลัวอุบาสกคนหนึ่งถามนางเสรินีเปรตว่า นางผู้มีร่างกายสูบหอมมีแต่ซี่โครงปรากฏเธอเปลยกายมีผิวพันธุ์และรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวสูบหอมมีร่างกายสับพรางไปด้วยเส้นเอ็นเธอเป็นใครเล่ามายืนอยู่ณที่นี้นางเสรรนีเปรตตอบว่า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 เพราะผลกรรมอะไรเธอจึงต้องจากโลกนี้ไปยังเปตโลกนางเสรรินีเปรตอบว่าเมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นดุจท่าน้ำซึ่งไม่มีใครห่วงห้ามมีอยู่ดิฉันเก็บทรับไว้ประมาณกึ่งมาศ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 พัดดิฉันฟุงไปท่านผู้เจริญดิฉันเสวยทุกข์มีความกระหายเป็นต้นนี้และทุกอย่างอื่นที่หนักกว่านั้นท่านไปถึงหัตถินินครแล้วช่วยบอกมารดาของดิฉันว่าเราเห็นทิดาของท่านตกยากเกิดนโยมโลกเพราะทำกรรมชั่วไว้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 เมื่อนั้นดิฉันจักมีความสุขสำเร็จความประสมทุกอย่างอุบาสกนั้นรับคำของนางว่าสาธุแล้วไปถึงหัตถินีนครได้บอกมันดาของนางว่าฉันเห็นทิดาของเธอตกยากเกิดในยมโลกเพราะทาชั่วไว้นางจึงตายไปเกิดยังเประตะโรค ณที่นั้นนางสั่งฉันว่าท่านไปถึงหัตถินินครแล้วช่วยบอกมารดาของดิฉันว่าเราเห็นทิดาของท่านตกยากเกิดในโยมโลกเพราะทำกรรมชั่วไว้นางจึงตายไปเกิดยังเปตโลกดิฉันมีทรัพย์อยู่สี่แสนเก็บซ่อนไว้ใต้เตียงทั้งไม่ได้บอกใครๆไว้ ขอม a n d าของดิฉันจงเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งจากที่เก็บซ่อนไว้นั้นให้ฐานบ้างเลี้ยงชีพบ้างครั้นให้ฐานแล้วจงอุทิศ ส, ส่วนบุญให้แก่ดิฉันบ้างเมื่อ น, นั้นดิฉันจักมีความสุขสําเร็จความประสงค์ทุกอย่างมานดาของนางเสรรินีเปรตนั้นถือเอาทรัพย์ส่วนหนึ่งจากที่นางเสรริีเปรตเก็บซ่อนไว้นั้น มาให้ทานครั้นให้แล้วได้อุทิศส่วนบุญไปให้นางนางเสรรนีเรตมีความสุขและแม้มารดาของนางก็มีความเป็นอยู่ดีขึ้นท่านสาธุชนทั้งหลาย เสียงอ่านพระธรรมจากพระตรปิฎกได้จบลงแล้วสารธรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายขอสารธรรมนั้นจงเป็นกุศลเพิ่มภูณบุญญาราศีประดับทีวีท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกทิพภาราตรีการด้วยเถิน